รับบ ر ษ ل ์รักลีสัตว์ดีวยศัต ل ل และสิริอัมล ي วะผลอุกตั ا มิลิ ا ันีย่ ا ل ่าหัวค๊า ف ี ا ัลลอฮฺ ي ะอินน่าน م สั ل งลู ر ะอิน ا ل น่าฟิอ ه นวริสฺกันทายิบันวะมาลันมุตะกบล ي ยาอัลลอฮฺมะอัลกิห์ ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปาราณีเจาก้อสุบฮานหัวตายและประสบแดดพี่น้องที่ร่วมเรียนกุรานทุกทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละวันนี้นะครับก็จะอ่านกุรอานในสุโรอัลอันอาม ยสที่เจายะที่เจดบสี่ ويذقى อِ ب َ ر َ ا ه ِ م ُ لِأَبِيهِ أ ذ َ ر َ ا ت َ ت َّ خ ِ ذ ُ أَصْنَمَ ل ِ ه َ ة> อะตรงนี้นะายาที่เจ็ดสสนะครับอะเดี๋ยวเริ่มต้นที่ฟาติฮาก่อน อาบอุบุลลอฮฺมินอ์ชัยตานุรรจิมบิสมิลลาฮฺอฺลลอฮฺมานุรรหิม الحمد لله رب العالمين لل الع الر الرحمان الر الرحيم مالك يوم الدين อียาคาน عبدوا อียาคานสต اعين อิฮดิน ا สิราตัลมุสต اقيم สَ ا ط َ الذين أنعمت عليهم غير ا ل م ض و ب عليهم َ و ل ض ا ل َ อูบิลลอฮิมินอชชัยควานอูราจิมและอิดควาลีบาราหิมุลิอับบิฮิอัลซาราตตะตะคิดอัลซ์นาแมนอาลิฮ อินนี้อาราคาว์คนก็ฟีดลัลมูบีน وَكَذَلِكَ نُرِيْبَ رَاهِمَ ي م َ ل َ ك ُ و َ ا ل س َّ م َ ا و َ ا ت ِ و َ الْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُقِينِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ ر َ أ ى ك َ و ك َ ب َ ا พร ا เจ้าประทาน วَเลมَมวเราَอลควแมวเราเบซิกากลَ่วว่าَี้วะเลมแมวเราเอลควแมวเราเบซิกากล่าว ฟล ل มมะฟลَากอลล่าอิลَาْยِดีนีร ب ِบี ก็เล่าอิลลัมยาดีนีรับบีเละคุนันน์นะมินะลกอุมิดดัลลีนยาดี ن ีรับบีเล ا ال ل ุนันน رَأَ ฟลมเมร์อัลชัมซาบะซิกตะกล ه ذ วว่านี้พระเ ذ ้านี้ใหญ่ ฟาละมะฟَลَต ق ก و ْลِยِ ن ِّมีอินน ء ٌบِร م อุมมิมْตุสริกَ <كشف> إِنِّي وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَتَرَسَّمَ وَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا إِنِّي و َ ج ه ت و ج ه ي w a m a i anak minal m u s h r i k i n Ah, mula dulu kahainya. Wahai d k o a l a i b r a h h i mu liabi h i azarat azar le รงรำลึกถึงขณะที่อิบรอฮีมก็คือนบีบรอฮิมของเรานะครับได้กล่าวแก่อาบีอับีก็คือคุณพ่อหรือว่าวบีดาของเขาในอายานี้เนี่ยพูดถึงชื่อด้วยชื่อว่าอาซัตอาซัตอันนี้เป็นชื่อคุณพ่อของนบีบรอฮีมซึ่งอาซัรเนี่ยมี มีอาชีพนะครับเป็นที่ปรึกษาของกษัตริย์นะกษัตริย์นำรูดแล้วก็ตัวของท่านเองก็มีหน้าที่ในการทำจาจวิตปั้นเวิตแกะสลักจเจวิตขึ้นมานะชื่อว่าอาซันะครับกล่าวว่าไงท่าน อ, อ, อัตะตะใหดูอสนามลอาลีฮะ ท่านจะยึดเอาบรรด า, จาเจวิตเป็นพระเจ้าการนั้นหรืออาเชิญครับเชิญครับอ่าจะยึดเอ า, จาเจวิตเนี่ยเป็นพระเจ้าการนั้นหรืออาลีฮะแปลว่าเป็นพระเจ้าอัสนามแปลว่ า, จาเจวิตหรือรูปปั้นก็ได้นะรูปปั้นรูปจเจวิตรูปแกะสลักรูปเคารพนะครับ อินนีอารอกาวาเกอมากาฟีดอลแอลิมูบินแท้จริงเนี่ยฉันเห็นว่าท่านเนี่ยและกลุ่มชนของท่านตัวของท่านก็คือตัวของคุณพ่อและก็กลุ่มชนของคุณพ่อด้วยเนี่ยเป็นบุคคลที่เป็นกลุ่มชนที่อะไรดอลแลิมูบีนหลงผิดอย่างชัดแจ้งนะครับอัลฮัมดุลิลละ ตรงนี้เองเนี่ยเป็นการบ่งชี้เห็นว่าเดิมก่อนหน้านี้ศาสนาเดิมของพวกเขาก็คือยึดตามปู่ย่าตายายนะยึดตามปู่ย่าตายายมานะก็คือกราบไหว้รูปปั้นรูปจเจวิตนะครับเอาเป็นพระเจ้าซึ่งอายะกุรอานหนึง่งที่อัลลอได้กล่าวเอาไว้ในสุรามารยยมนะ จเบ่บอว่าจงรำลึกถึงเรื่องของนบีอิบรอฮีมที่อยู่ในคัมภีร์อินนาฮูกานนซิดดีกอนนาบียาแท้จริงเขาเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์เป็นและก็เป็นนบีอิศกรลาลีอาบีฮิอายาอาบตีจงและจงรำลึกขณะที่เขาได้กล่าวแก่บีดาของเขาว่าโอ้พ่อจ๋า ลิมัต ع ب د ุ ا มาลาตัสมา่งวลายูบัซซิรุวลาจะยูญีแงนกะชยอาโอ้พ่อจ๋าทำไมท่านจึงเคารพบูชาสิ่งอื่นที่ไม่ได้ยินและไม่เห็นและไม่ให้ประโยชน์อันใดแก่ท่านเลยนั่นก็หมายถึงรูปปั้นนั่นเองหรือเจเวตนะครับ ตรงนี้เองเป็นการที่คุณพ่อคุณนบีบรอฮิมเนี่ยแนะนาเกี่ยวกับสิ่งที่ถูกต้องให้แก่พ่อนะใช้การโต้อตอบในสำนวนของการให้คิดให้ไตรตรองแล้วก็ใช้คำพูดดีนะโอ้พ่อจา๋าเห็นไนหะแม้ว่าสมมุติว่าเราเนี่ยอยู่ในครอบครัวที่มารับอิสลามก็ไม่มีสิทธิ์อะไรที่เราจะไปพูดจาไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่น่ารักกับคุณพ่อคุณแม่ที่เขาไม่ใช่มุสลิม แล้วก็อิสลามสอนให้แนะ น, นําอ่าสิ่งที่ถูกต้องให้ส่วนเขาจะรับไม่รับก็อยู่ที่ตัวเขานาแล้วก็อดาดัตนี่รับไหมไม่รับ <c oughs> น, นบีบรอฮิมก็ขอโดอให้นะให้อัลลอห์อภัยโทษให้กับพ่อจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายแล้วก็เห็นว่าไม่เปลี่ยนแล้ว น, นบีบรอฮิมก็หยุดขอดุอาให้นะครับ อาต่อมาว่ากาดลิกานูรีอิบราฮิมามาเลกูตัลตัสมาวาติวันอาร์และในทำนองนั้นแหละเราฮัลโหลและอ่ะมาละและในทำนองนั้นแหละเราได้ให้อิบราฮีมเห็นอำนาจอันยิ่งใหญ่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดิน และอย่ากูนันนะมินัลมูไกนีนเพื่อให้เขาได้เป็นผู้หนึ่งในผู้ที่เชื่อมั่นทั้งหลายให้เห็นสัญญาณของผู้สร้างผ่านสิ่งที่ถูกสร้างเราจะรู้จักอัลลอฮ์ผ่านอะไรผ่านสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างอ่านนี้ครูแอร์นะคําพูดกูแอในช่างในช่างตัดเสื้อเราไม่ต้องรู้หรอกว่าในช่างชื่ออะไร แต่เห็นฝีมือการตัดของของในช่างก็ทราบทันทีว่าในช่างคนนี้มีฝีมือดูจากผลงานไม่ยังไม่ต้องรู้ว่าชื่ออะไรแต่เห็นฝีมือปั๊บรู้เลยว่าคนนี้ต้องต้องกิ่งแน่นอนจากการเย็บลายการออกแบบประมาณนี้นะ่อซึ่งบางครั้งก็หาคนมาเทียบมาเคียงกับฝีมือในช่างคนนี้ไม่ได้เป็นเอกลักษณ์เลยหาคนอื่นไม่ได้เลยมีคนเดียวเอเหมือนกับ ผู้ที่สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินก็มีพระองค์เดียวก็คืออับลาะนะครับในธรรมนองนั้นเราได้ให้อิบราฮิมบอกไปแล้วแล้วก็76สบครั้นเมื่อความมืดอ่าจันนายละฮละลูเวลาอยู่ในเวลากลางคืนความมืดของกลางคืนมาปกคลุมเขาเขาก็ได้เห็นเกากาบันเกากาบันแปลว่า ดาวดวงหนึ่งดาวนี้มันก็จะ ร, ระยิบระยับกอละฮาซร์บีเขาจึงกล่าวว่านี่คือพระเจ้าของฉันเสร็จแล้วฟารลมมาอาฟารลลาลาอไฮบุลอาฟิลีนนะแต่เมื่อมันหายลับไปเขาก็กล่าวว่าฉันไม่ชอบบรรดาสิ่งที่หายลับไป แน่นอนว่าพระเจ้าจะไม่มีไม่มีหายต้องอยู่เสมอต้องคงอยู่เสมออัลบาโกอัลลอฮ์ทรงทรงถาวรสมมันะิเรเรียนในซีฟัดวายบนะอัลวู ด, ดูอัลลอฮ์ทรงมีอัลกีดามัวอัลลอ์ทรงเดิมอัลบากอัลลอฮ์ทรงทาวรถาวรก็แปลว่าไม่มีหายอยู่ยังไงอยู่อย่างงั้นนะกีดามมีแต่เดิมไม่มีจุดเริ่มต้นมีมาแต่ดั้งเดิม แล้วก็ต้องมีด้วยอารูจูดูอ่าตรงนี้ก็เห <c oughs> ็นดวงดาวดวงดาวไม่เช่ดประจาวเลยเพราะมันมีมาแล้วก็มีมีหายมาเป็นบางครั้งบางข่าวมาเฉพาะตอนกลางคืนแล้วกลางคืนไม่เช่ทุกคืนมาด้วยนะถ้าคืนไหนมีจันเพนปับ๊บดาวดวงดาวก็ไม่ปรากฏให้เห็นแล้วเพราะรัศมีของจันเพนมันก็ปกคลุมหมดมีเฉพาะคืนแดมเท่า น, นั้นที่จะเห็น ไม่ไม่ใช่ทุกคืนอีกต่งหากแน่นอนสิ่งนี้ไม่ใช่พระเจ้าฟัล ม, มารออัลกอมารอกอร์มาแล้วครั้งเมื่อเห็นดวงจันทร์บาซิกัลแปลว่ามันขึ้นมามันโผล่ขึ้นมาเดือนหนึ่งก็จะมีครึ่งคึ่งนะเครื่องข้างขึ้นข้างแรมข้างแรมก็ไม่มีดวงจันทร์ <c oughs> ้างข้างมืดนะฮะ ข้างขึ้นก็มีดวงจันทร์ข้างขึ้นข้างแดลครั้นมาถึงข้างขึ้นกอมัดก็ปรากฏขึ้นดวงจันทร์ปรากฏขึ้นเขาก็กล่าวว่านี่คือพระเจ้าของฉันแต่เมื่อมันหายลับไปเขาก็กล่าวว่าถ้าพระเจ้าของฉันมิทรงให้ทางนําแก่ฉันแน่นอนฉันก็จะกลายเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่หลงผิดก็คือไม่ใช่อีกแล้วก็หายเหมือนกับดวงดาวนั่นแหละแต่แสงมันเยอะกว่าด้วยนะดวงดาวนี่มันยัง มันแค่ว็บๆเล็กนิดเดียวแต่กอมาดนี่แสงนวลเลยแต่ก็อยู่ไม่ถาวรเหมือนกันนะครับเอาต่อมาฟารัมมารอชัมซาขันเมื่อเขาได้เห็นดวงอาทิตย์กำลังขึ้นนี่กลางวันแล้วเขาก็กล่าวว่านี่แหละคือพระเจ้าของฉันและนี่แหละเป็นสิ่งที่ <c oughs> อักบัตแปลว่าใหญ่กว่าใหญ่กว่าไร ใหญ่กว่าดวงดาวแลว้วก็ดวงจันทร์ที่เห็นเมื่อกี้อีกนะเหมือนเดิมดวงอาทิตย์ก็ไม่ได้อยู่ค้างท้องฟ้าตลอดมันก็ตกหายไปกล็แบบลยฮะแต่วาบอกฟลัมาอาฟฟลตมันก็หายลับไปในช่วงกลางคืนนะมันก็หายไป <c oughs> ก, ะยะก็เลยยากคมีอินนีบารีอุมมิมมาตุชริกุน โอ้กลุ่มชนของฉันแท้จริงฉันขอปรีตัวออกจากสิ่งที่พระเจ้าตั้งภาคีถามว่าการที่นบีบรอฮิมบอกว่านี่เป็นพระเจ้าเป็นพระเจ้าเนี่ยนบีคิดอย่างนั้นจริงเปล่าไม่จริงแต่เป็นการโต้อตอบสนทนาให้ให้พวกนั้นได้เห็นว่าสิ่งที่พระเจ้ากําลังกราบไหวดวงดาวกันอยู่เนี่ยถ้ามันเป็นพระเจ้าจริงมันต้องอยู่ตลอดนะซึ่งนบีบรอฮิมเนี่ยมั่นคงในอัลลอฮ์อยู่แล้วแต่กําลังยกตัวอย่างให้เห็น ว่าพระเจ้าที่คุณกราบไหว้เนี้ยเริ่มตั้งแต่อันที่จอมปลอมที่สุดเลยก็คือจเจวิตไม่ได้ยินมาอะไรทั้งนั้นลนั่งนิ่งๆ น, นะอันที่สองเอาแบบเอาแบบเห็นเลยก็คือสิ่งที่เราสร้างนะดวงดาวไล่มาดวงดาวเสร็จปุ๊บดวงจันทร์แล้วก็ไล่มาถึงสิ่งที่ถูกสร้างที่ใหญ่มากในวงในจักรวาลก็คือดวงอาทิตย์ มันก็ยังไม่ใช่พระเจ้าอีกก็เลยบอกเลยว่าฉันขอปลีกตัวจากความเชื่อเหล่านี้ที่เอาสิ่งพวกนี้มาเป็นพระเจ้าให้เขาได้คิดไงนะสุดท้ายแล้วอายะนี้คืออายะของผู้ที่ศรัทธาคืออายะที่ 79. เจ็ดสิบเก้าอัลล์บอกว่าไงอินนีแท้จริงตัวฉันก็คือตัวของนบีบรอฮิมวะจัตุวัจวจเจฮียลิลละดี ฉันขอผินใบหน้าของฉันแดผู้ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าวอลอฟแลก็แผ่นดินไปให้มันเหนือกว่านั้นอีกก็คือสการะผู้ที่สร้างชั้นฟ้าทั้งหมดเลยนะซึ่งชั้นฟ้าก็จะมีอะไรล่ะมีดวงดาวมีดวงจันทร์มีมดดวงอาทิตย์ก็อยู่บนฟ้าหมดอะไรที่อยู่บนฟ้านะวงโคจรต่างๆก็คืออัลลอฮฺ ผู้ที่สร้างชั้นฟ้า <c oughs> บรรดาชั้นฟ้าแล้วก็แผ่นดินฮานนี่ฟันฮานีฟันฮ า, านีฟันแปลว่าอะไรรู้ไหมแปลว่าในฐานะผู้ที่ใฝ่หาความจรงิงฮานีฟฮานีฟันให้ความบริสุทธิ์แด่ลอสุบฮานหัวตาและไม่ ไปยุ่งเกี่ยวกับพระเจ้าจอมปลอมทั้งหลายที่มนุษย์อุปโลกขึ้นและฉันไม่ใช่ผู้หนึ่งในหมู่ผู้ที่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ว่ามะาอันามีนัลมุชริกีนนะครับเอ่อสมัยก่อนเนี่ยมุชริกีนมุชริกินก็คือคนตั้งภาคีนะก็คือกราบไหวเจเวิตแล้วก็มีคนที่กราบไหวดวงดาวและก็คนที่บูชา ดวงจันทร์แล้วก็ดวงอาทิตย์สมัยก่อนมีนะครับหลังจากนั้นก็อพอเมื่ออิสลามมาก็พิสูจน์ให้เห็นถึงพระเจ้าที่แท้จริงนะอะว า, า, ว า, า, ะาวะฮะวะฮจหูกอมูเดี๋ยว่ยตรงนี้ก่อนนะวาฮาะฮะจหูกะอมู อันนี้นะเดี๋ยวสอนก่อนกอละอาตุฮาดจูนจูก่อนนะจูยาวก่อนนะจูนแล้วก็เข้าไปตัวนูนนูนอีกสามครอกกอ้จูนนีฟิลเล่ฮาดนี่ก็หกจูนนี่ก็หก แล้วก็ น, นีอีกสามจูน other จ น, นีสองนีเนี่ยสองแต่ตรงจูนโดยที่เป็นที่เข้าไปที่นูนอีกสามอ่าลองดูนะยากยากอยู่อ่าดูนะก็ละตุหจู ف ي ل ّ ه و ق د ه َ دان. ولا أطاع دون ف ي ل ّ ه و ق د ه َ دان. ولا กูมาตุศริกูนบีวะลาข้าก و มาตุศริกูนบ ا อَลَ์ไอยาชาอับีชอ วَ่สิ ب ِ伯ว่าสิ阿拉伯ในทุกๆเรื่องอิน ع ลเมว่าส كُلَّ ش َْุ ء ٍ ع ِ ل อ م ًินَ ف َ ل อ ا ฟล ت, ت َ ذ ต ك ตّ ر ُ و รู و َ ك َ ي ف َ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أ َ ش ْ ر َ ك ْ ت ُ م بِاللَّهِ ما لم ينزل به عليكم سلطانه، ما لم ينزل به عليكم سلطانه، فأي الفريقني َ أهك؟ กบิอัลหุนิอกตุมตลมนฟาอิยุลฟาลิไควลิอะฮ์กบิอัลหมุนิอิลกุลตุมตั๋ลโี มนุวัลล์ م َบ ن َ ه ُ م มาหนาหุบดุลมิอ ئ ِ ك อ همبذل من أولائك أولائك لهم الأمن وهم متدين ว่าทีَ่่ะ ن ุ ا ธเจ้าทูน่าทายนาฮَอิบราฮิมาอัลَ่ากอุม นรฟ้าดั่รงจัติมันนชัยนรฟ้าดั่รง ن ัติมันนชัยอนรบกะกีมุนอาลิ อ่ะมาดูความหมายนะครับวาฮาจหายละเป็นอะไรอ่ามามาให้หายวาฮะจ์ฮูเกาหมและกลุ่มชนของเขาก็ได้โต้เถียงกันโต้เถียงกันนะเขาได้กล่าวว่า ก็ลาอูฮะจูนีฟิลฮีอัลกอเดฮัดันพวกเจ้าจะโตเถียงฉันในเรื่องของอลก น, นั้นหรือพวกเจ้าจะโตเถียงฉันในเรื่องของอัลลอฮ์กันนั้นหรืออาวาลาอัลคอฟูมาตุกนบ และแท้จริงพระองค์ได้ทรงให้ทางนำนะให้ทางนำแก่ฉันแล้วว่ก็ดาฮานแปลว่าแท้จริงอัลลอฮ์เนี่ยให้ทางนำแก่ฉันแล้วว่ละอาคอฟูมาตุชรีกูนบีและฉันก็จะไม่กลัวสิ่งที่พระเจ้าตั้งให้เป็นภาคีขึ้นนอกจาก อิลลอาอยาชาอัลลอฮบีชาอานอกจากพระผู้อภิบาลของฉันจะทรงประสงค์สิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้นขณนี้พี่น้องผู้มีมารทั้งหลายมันก็จะมีคำพูดหนึ่งนะที่แพร่หลายในสังคมก็บอกไม่เชื่ออย่าลบลู่อ่าจริงๆแล้วเนี่ ย, ายการไป วิพากวิจารณ์ความเชื่อของศาสนาอื่นเนี่ยการวิพากันนี้ไม่ได้หมายถึงการสอนนะถ้าการสอนในในกรณีศาสนาเปรียบเทียบเนี่ยคงไม่มีปัญหาอะไรแต่การวิพากับคนที่ไม่ได้ใส่ใจไม่อยากจะหาาสัจธรรมอยู่แล้วเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่อันตรายเพราะอะไรเพราะคนเหล่านั้นก็จะมาด่ามาว่าอัลลอฮ์อ่านั้นในสังคม ที่อยู่กันในพระหุกธรรนธรรมเนี่ยบางครั้งถ้าพูดในกลุ่มผู้ศรัทธาเองไม่เป็นได้แต่ถ้าเกิดมันแพร่ออกไปแล้วไอ้คำพูดเนี่ยมันไปเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามความเชื่อของเขาเนี่ยก็กลายเป็นเรื่องขึ้นม า, อ, นาอันตรายมากกลายเป็นดาบสองคมเลยเคยมีนะแบบอะไรไปแบบปมพูดแบบผาแบบ ก, กะตกแลอะไรประมาณนี้โอ้โหกลายเป็นเรื่องใหญ่เลย อันนี้เราถ้าเราสอนในแปลในตามในศาสนาในคำภีกันเนี่ยก็เราพูดกับคนที่เชื่อศรัทธาเราถามว่าเอาสาเหตุของเราในทำไมเราทําไมไม่ศรัทธาต่อดวงจันทร์ไม่ศรัทธาก็นี่ไงเอาเราบอกไปหมดแล้วอ่าทําไมไม่ศรัทธาต่อจ เ, วเอจเวดตอ้าวเจวดเราก็บอกแล้วไม่ได้ยินไม่เลยแต่แต่ถ้าคุณบอกว่ามันศักดิ์สิทธิ์ก็ท่านก็ว่ากันไปแล้วกุมดินหรือกุมวะเรียดินของมันศักดิ์สิทธิ์นั้นท่านก็ว่ากันไปแต่แน่นอนว่าเราไม่กลัวหลักอาทงอาทันอะไรทั้งนั้นเลยเ <laughs> พราะเรากลัวหรอ เออเส้นมันจะมีบางภูเขาเวลาจะขึ้นรถขึ้นเขาต้องบีบแต่เป็นการบูชาเส้นเจา้าที่แล้วเขาบอกเลยนะถ้าคุณขึ้นเขาแล้วคุณไม่บีบแต่นี่นะคุณจะเกิดกับเคราะห์กรรมรถจะตกเขาครนี่นี่มุสลิมไงเป็นมุสลิมก็เอาเขาด้วยไปบีบแต่เขาด้วยไปเลยนี่ก็ไปเชื่อแล้วสิมีอานาจเด้อไม่มี เราบ al ิสมิลลาแต่ว่ากันตัวอ uh ัลลอฮิลาเขาละวะละกูจะอิลลาบิลลาขับไปเลยถ้ามันจะตกขาก็ไม่ใช่เพราะอำนาจอะไรหรอกอัลลอฮ์กำหนดแต่แค่นั้นแหละถ้ามันจะตกขาอ่ะนะก็อัลลอฮ์กำหนดไม่ตกขาก็แค่นั้นไง น, น ะ, น, ะดดนั้น น, น, น, น, นาบิบรอฮีมบอกว่า <c oughs> ฉันไม่กลัวไม่กลัว สิ่งที่พระเจ้าตั้งขึ้นให้เป็นภาคีเพราะฉันกลัวลอจบเลยนั้นถ้าเราไม่กลัวลอเราก็จะกลัวทุกอย่างกลัวนู่นกลัวนี่กลัวจนกลัวไหม่กลัวนกลัวกลัวตัวหมดเลยกลัวชนกลัวนู่นกลัวนี่แต่ถ้าเรากลัวลอเราก็ไม่กลัวอะไรแล้วอ่าอันไหนง่ายกว่ากลัวลอง่ายกว่าเนอะกลัวลอจบเลยเราไม่ต้องกลัวอะไรแล้วแต่ถ้าไม่กลัวลอกลัวทุกอย่างเลยนะเชื่อมั่นในพระองค์ เชื่อมั่นในกรดอกอดัตของอลอแล้วก็ลาเขาละวะลากูวะจะอินลาบินละนี่แปลว่าอะไรไม่มีพลังไม่มีอำนาจใดเว้นแต่พลังอำนาจนั้นที่มาจากอัลลอฮ์เท่านั้นแล้วเขาลาวะลากูอะจะอินลาบินละอ่านี่กล่าวบ่อยๆนะเป็นหนึ่งในคําวิกิเต็ตต่อลอด้วยแล้วเขาละวะลากูอะจะอินลาบินละ ฉันไม่กลัวสิ่งที่พระเจ้าตั้งให้เป็นภาคีขึ้นนอกจากพระผู้อภิบาลของฉันจะทรงให้ะสมให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้นเพราะพระผู้อภิบาลของฉันนั้นทำไมอ่ะอะไทำไมวเซยร์ลบบีกุลและไซอินิลมาพระผู้อภิบาลของฉันนั้นมีความรู้อย่างกว้างขวางทุกๆ ท, ทั่วทุกๆสิ่ง วาเซียปกคลุมไปหมดเลยกว้างใหญ่ไพศาลความรู้ของอัลลอฮ์เนี่ยครอบคลุมในทุกสิ่งอัฟเลาตะร์เกกอรูนและพระเจ้าเนี่ยไม่ลำลึกกันบ้างหรืออายะต่อมาอายะที่81อ่า80นะแล้วกับแปเมื่อกี้บอก70ปดสิบป่ผิดนะ80 81 และอย่างไรเล่าวะาเคยฟะอะคอฟูมะอาชรอรัอาชรักตุมและอย่างไรเล่าที่ฉันจะกลัวสิ่งที่พระเจ้าตั้งได้ตั้งภาคีขึ้นวะเลมวาเลตะคอฟูนาอันนะกุม อ, อัชรักตุมบิลลา โดยที่พวกเจ้าไม่กลัวการที่พวกเจ้าตั้งพาคีต่อรอดใครควรจะกลัวได้มากกว่าบอกกับนบีอิบรอหีมไม่กลัวเหรอกับอะไรกับไอสิ่งที่เป็นเจว เ, เวทอำนาจที่มนุษย์อุปโลกขึ้นนบีอบอหิมก็บอกว่าอ้าวแล้วพวกเจ้าไม่กลัวการตั้งพาคีต่อรอดเหรอนี่หนักกว่าอีกเออ ซึ่งสิ่งที่พระองค์เนี่ยมิได้ทรงให้มีหลักฐานใดๆลงมาแก่พระเจ้าในสิ่งนั้นมีหลักฐานไหมที่พระเจ้าอุบาโรกขึ้นเป็นพระเจ้าเนี่ยมีหลักฐานชัดเจนไหมไอ้มีอา้าวแล้วก็ปูญาตายายละ่ะไม่ใช่หลักฐานอ๋อไม่ใช่อะ่ะคาบอกเล่าอ่าเล่าถึงความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆกวาดกันไปเล่ามาันตัวไหนต่พิสูจน์ได้ไหมละ่ะอ่ามีหลักฐานอะไรชัดเจนไหมเหมือนกับที่เอาล้อได้ ให้เราได้ไต่ตองถึงหลักฐานของผู้สร้างคืออัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาแล้อ่าต่อมาแล้วฝ่ายไหนเล่าในสองฝ่ายนั้นนะครับอาฟอยูฟารีกอินออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งที่ตั้งภาคีกับฝ่ายหนึ่งที่อิบะดาตออละ และฝ่ายไหนทั้งสองฝ่ายนั้นเป็นฝ่ายที่สมควรที่จะได้รับความปลอดภัยบิลอัมนี่ปลอดภัยตรงนี้ปลอดภัยจากอะไรปลอดภัยจากการลงโทษของ Allah. อัลลอ์อมานเนี่ยอีมานที่ทำให้เราปลอดภัยไงที่เราอีมานกันเนี่ยอีมานนี่แหละที่ทำให้เราปลอดภัยจากการลงโทษถ้าไม่มีอีมานต่อร์ก็จบเลยลงนรกแต่อีมานนทําทำให้เรานั้นไม่ต้องเข้านรกแล้วก็ปลอดภัยจากไฟนรก สิ่งที่ทำให้ปลอดภัยจากไฟนรกได้ก็คืออีมานการศรัทธาการยึดมั่นในอัลลอ์อย่ากินความมั่นใจมั่นคงในการศรัทธาต่ออัลลอ์อินกุลตุมตาละมูนหากพวกเจ้ารู้นะครับอาต่อมาอัลลลดีนอาอมานูบรรดาผู้ศรัทธาโดยที่มิได้ให้การศรัทธาของพวกเขาเนี่ยไปปะปนลัมยัลบีซูอีมาณหุมบีุล โดยไม่ให้การศรัทธาของเขาเนี่ยไปปะปนกับอซุนตัวนี้ไม่ได้แปลว่าอาธรรมนะแปลว่าอะไรแปลว่าชิริกภาคีเล่าเหรไม่ไม่ได้มีอ إ ي م านที่เน่าๆหมายถึงอะไรอ إ ي م านวันนี้พรุ่งนี้ก็เอาไปปนกันแล้วนะนั่นคนเนี่ยไม่ได้เป็นอิสลามด้วยกับการอ้างนะครับแต่เป็นต้องเป็นด้วยกับการศรัทธาและการปฏิบัติ แล้วก็มีข่าวเนาะถมึงเพิ่งตายไปเป็นดาราเออพอดแแีแปลแปลแปลแล้วมันเข้าเรื่องพอดีซึ่งใครจะบอกว่าเขาเป็นอิสลามอิสลามเกิดในครอบครัวอิสลามเนี่ยสุดท้ายเลวพฤติกรรมสำคัญที่สุดนะงนั้นคนที่จะนำมาทำพิธีเนี่ยถูกต้องเลวอะถ้าพฤติกรรมของเขาเป็นการตั้งตะเคยียงชัดเจนอันนี้เอามาทำไม่ได้นะ ใครเอามากับบาปมาทําุ่นเอามาละมงละหมาดเรียบร้อยเลยบาปนั้นดีแล้วนั่นแหละถูกต้องแล้วที่ทำอยู่นั่นถูกต้องเป๊ะเลยนะครับแต่เราก็จะไม่ไม่ไปวิพากษ์วิจารณ์นะครับกับคนที่ตายไปเพราะว่าคนที่ตายไปแล้วเขาคือจบแล้วแต่เป็นอุทาหรณ์ให้คนเป็นทั้งหลายว่าอิสลามไม่ได้อยู่กับเราตอน อ, อยู่กับเราตอนเกิดแต่มันไม่ได้อยู่กับเราตอนตายเสมอไป ตอนเกิดนมุสลิมแต่ตอนตายเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้เหมือนกับตัวอย่างของดาราท่านนั้นนะเพราะว่าละครที่เขาเล่นเนี่ยขอขอมาฟนะมันมีฉากกาบเดิงแรกกกาบเละเลยแล้วมันจะเหลือไหมล่ะ อ, อ้าวดังนั้นสำคัญที่สุดคือไม่ได้เรียนศาสนาเลยสำคัญนั่นแหละไอเห ท, ที่หลุดออกไปจากอิสลามเพราะ ไม่ได้เรียนศาสนาครับถ้าเรียนศาสนาไม่มีใครกล้าทำหรอกนะอา้าวกลับมาเรื่องของเราก่อนอา่าเอาต่ออูลัอิกลาหูมุลออมนัวหุมมุตะดูนพวกเขาจะได้รับความปลอดภัยและพวกเขาก็คือผู้ที่จะเอาทางนำอันถูกต้องเอาไว้ไม่เอาอหมานไปปนกับสิ่งที่เป็นชิริก วัติลกหุดจะตุนะอาตัตยนาฮาอิบรอฮิมาเกามิและนั่นคือหลักฐานที่เราได้ให้มันแก่อิบรอฮีมโดยมีฐานะเหนือกลุ่มชนของเขาเราก็จะยกผ <c oughs> ู้ที่เราประสงค์ขึ้นหลายขั้นยกใครเนี่ย ยกคนที่มี إ ي م านต่อรอดเอาสังเกตไหมล่ะคนที่มี إ ي م านต่อรอดเนี่ยไม่ไปทำอะไรเลอะเทอะหรอกแต่คนไม่อี إيمان ต่อรอดเนี่ยไปทําอะไรหน้าตําหนีเท่านั้นลเลอะเทอะไปหาเลขของมาพัฒนไปหาเลขไปขุดแทนจะเวลาไปนอนก็นี่ไงพกเราไปพูดสัทธานี่ตื่นขึ้นมาเข่าเฝ้าอัลลอฮ์ละหมาดไม่ไปทําอะไรเลอะเทอะ ไปทำอะไรแปลกๆเห็นแล้วก็โอ้โหอะไรวะเนี่ยนี่แหละเพราะล้อยกระหยาบของเราปลอดภัยมันจะมีกระแสอะไรมาก็ไม่เฮโลไปตามกระแสอ่าอิสลามไม่มีเรื่องของวัตถุมงคลวัตถุศักดิ์สิทธิ์อะไรมัสยิดนี่ปล่อยวัตถุศักดิ์สิทธิ์ไม่แล้วเราไปกันไม่มีสุเราไม่มีไปละหมาดไปบาดาต่อรอดละหมาดสุราไหนก็ได้ เข้าสุราอไหนก็ได้แต่ที่เราอยากจะไปคือฮารอมใช่ไหมเบนนะอยากไปฮารอมเนะี่ยสองปีแล้วไม่ได้ไป <c oughs> อคิดถึงมัสยิดฮารอมนะอ ม, อมัสยิดฮารอมมัสยิดนับบวีมัสยิดอักซออัลลอฮ์ยกแล้วแท้จริงพระองค์เพื่อนบานนั้นเป็นผู้ทรงปีชายาและผู้ทรงรอบรู้มีห a d i s บทหนึ่งนะก่อนก่อนจะอ่านนะการกูรานต่อนะ อีมัมอัมัดได้รายงานมาจากอับดุลลา์ว่าเมื่ออายะที่บอกอัลเลดีนอามานุวัลมยัลบิซูอีมานหุมบิซุลมีเมื่อกี้หลอายะเมื่อกี้หล ะ, าาหละถูกประทานลงมาว่าบรรดาผู้ที่ผู้ที่อิมานไม่เอาอิมานของเขาเนี่ยไปปะปนกับการตั้งบาคีเนี่ยคือคำอว่าซุนแปลว่าธรรมนะปรากฏว่าเกิดความลำบากให้กับคนที่เป็นซอบ้านนบี ก็เกิดความหนักใจอีหมานอะไรแหละจะไม่ทําบาปเลยมีแมมคนอีหมันแล้วไม่ทําบาปเลยมีปะไม่มีอ่ะมันก็ต้องมีเผลอไปทำบาปมั่งไอ้คำว่ารุ่นนี่แปว่าทําแปว่าบาปถ้าอีหมานแล้วไม่ทําบาปโอ้โหและใครจะรอดอ่ะมีนบีท่านเดียวท่านั้นะเละที่ไม่ทําบาปแล้วพอเหลือพอเราจะเหลือเลยนี่ซอบ้านนบีนะมันก็ต้องมีไปทําบาปมั่งบาปเล็กบาปใหญ่ว่าไปบาปเล็กไปบาปใหญ่ไม่มีหรอกก็เกิดความหนักใจ ก็เลยมาถามว่าโอ้ท่านรอซูลครับมีใครในหมู่พวกเราไม่เคยทำบาปกันเหรอม่เคยอาธรรมกับตัวเองบ้างเหรอท่านรอซูลกล่าวว่าอินนาฮูไลสันแลดีตานตานูน่ะแท้จริงแล้วมันไม่ใช่อย่างที่พวกท่านเข้าใจอัลัมตัสมามากราอับดุสซาเลสซลอ่าถูกต้องพวกพวกท่านเนี่ยไม่เคยได้ยินคำพูดของบ่าวที่ดีบ่าวที่ซอแลวก็คือลูกมาน ลูกมาได้พูดกับลูกของเขาว่าลูกโอ้ลูกเอ๋อย่าบูน ย, ยล่ลโตชริกบินแลอินนะชิรกับบีละดุลมุลอาซีมไงอาญาณีอย่าได้ตั้งภาคีนะลูกรักโอ้ลูกเอ๋ยเจ้าจงอย่าได้ตั้งภาคีต่อรอติดขาดเลยเพราะแท้จริงการตั้งภาคีนั้นคือดุลคือการอาธรรมที่มหันต่สุด นี่คือเป้าหมายของอายาณี้ไม่ได้หมายาว่าเราไปทําบาปอย่างอื่นอ่าไปทําบาปอย่างอื่นบาปตรงนี้อซุนตัวนี้เน้นเลยก็คือเรื่องชีริกเลยนะครับอ่ะนี่ก็คือเรื่องของการอราธิบายกุรณาเห็นไหมวาม่าอซุนเนี่ยอย่าไปแปลว่าบาปอย่างเดียวต้องแปลตรงๆไปเลยว่าตั้งภาคีนะแต่ตรงอื่นอาจจะแปลว่าบาปอย่างอื่นก็ได้ขึ้นอยู่กับบริบทที่กล่าวถึงนะครับซึ่งอันนี้กล่าวถึงเรื่องของการตั้งภาคีนะ อ่านต่อนะอายะที่ปสี่8ปดสิห้าปหเจปปเกสอ่าจบอันนี้เลยอ่านทีเดียวเลยจบเกาสอยะวะวะฮะบนะละฮุอิสฮะกอวยากูบวะวะ قلن هداينا ونوح هداينا من قبل ومن ُ ر รียติดฮิดาวูดาวะสุไลมันแล a ยูบะและยูซุฟแวะมูซะและฮารุ وَكَذَلِكَ نَجَازِيلُ الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى و َ إ ِ ل ْ ي َ ي ا ً ก ال ال ي ลุ่มมُน مِّنَ ا ل ص َก ا ل ِ ح ม ي ن َ و َ إ ِ س ْ م َนไว้ส์มาอีลَ่วَีส์อาُยَนุส و َะลูท้า สาวยูวะคุลล์ฟัตดล์นาัลกาลามีนวะคุลล์ฟัตดล์นาัลกาลามีนว่ามินอบ u ละทรรี اتهم และอิควา h ิม ว่าจะตบ aina ฮุมว ه ُ م ายนาฮุมอิล่าซิรอต س ْ ت َ ق ِ ي م ٍ เวลิกะหุดัลลอฮ ب ย์ดีบีไมยาชาอุมินอิบะดีเว ه ิกะหุดัลลอฮีย์ดีบีไมยาชวอ รักูล habi ta’an และ habi t a n หุมม้ كانوا يعملون ุกั ที่น่าตายน่าขุมอักษรและข้อความ ไฟยักษ์ฟุร์ biha ه ل و ل ا ئ ِ ف َ ق د ْ و ق ل ن ا b هَا ก็ได้ว่าเคลน์บีฮะกล و ่มมันเลี้ยงซูบีฮะบิกับฟิร์َ น้าด er ัลลออฟาบิฮูดะฮูมุกที่ดิฟฟบิดะมุกาบิดี قُلْ าَ้้้้้้้้้้้้้้้้้ ي َِِْْْ้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ا ل ้้้้้้ มาดูความหมายนะครับว่าวะฮะบันนารหูทางนำเนี่ยอัลลอฮ์ให้มาตั้งแต่สมัยนบีนะก่อนก่อนหน้า น, านี้หมดเลยแล้วก็บรรดานาบีเองเนี่ยเขาก็จะเป็นเป็นเป็นอะไรนะเป็นเครือญาติกันนะเป็นเครือญาติที่เกี่ยวดองกันนะครับ และเราได้ให้แก่อิสหฮาก <c oughs> และก็ยากรูปลูกและกัหลานอิสหฮานี่ใครอิสหา ก, ก็เป็นลูกของนบีอิบรอฮีมไงนบีอิบรอฮีมนี่มีภรรยาสองคนคนแรกนี่ได้กับผ <c oughs> นังซาร์ อยู่กันจนกระทั่งอายุเยอะแล้วไม่มีลูกพอไม่มีลูกเสร็จก็ก็เอาพนางฮายัตซึ่งเป็นคนรับใช้ในเลในบ้านน่ยกับพนางซาล็อซึ่งพนางซาล็อกรู้ว่าพนางฮายัดนี่คนดีมากเลยนะก็แต่งงานกับนาบีบรอฮิมก็แต่งงานกับพนางฮายัตนะแล้วก็ได้ลูกชายชื่ออิสมาเอ หรว่าอิสมาอเี่อิสมาเอนหร อ, อิสมาอินบาร์อร อ, อิสมาเอ็นแต่ถ้าเป็นคนใต้เด็กมาเอนมาแอแล้วก็กลายเป็นมาแอคือมันก็จะแทบจะจําเขาโค้งไม่ได้เลยมาแอก็คืออิสมาอินแล้วก็ใครยะอิบบรอฮิมเนี่ยถ้าใต้เขาเรียกอิบรอเิง แล้วก็กลายเป็น巴拉ฮิง巴拉ฮิงหายไปเลยอิ <c oughs> บอรอกลายเป็น巴าฮิง <c oughs> เห็นไหมถ้าจะเป็นคนกลางภาคกลางก็จะเรียกว่ายีเฮมยีเฮมก็คืออิบรอเฮมนั่นแหละนะแต่ว่าลคนใต้กลายเป็นบาร拉ฮิง oh เลย <c oughs> <c oughs> ของฉันนี่อับดุละละเตอับดุลเตอคนใต้คนใต้อับดุลเรียกอับดุลละเต อ่าไม่ลตีฟนะละเต้มันอ่านง่ายดีใช่อ่บาราฮิมอ๋อม่ใช่อิบริมอิบรฮิมนะครับก็มีลูกอ่าอิสมาอิอิสมาอินก็นี่แหละอยู่สังกบงกาบาอยู่นี่แแต่เดิมก็อยู่นู่นนะแล้วก็อัลลอฮ์ให้อิสากมาเป็นน้องชายของอิสมาอินเกิดกับภรรยา คนแรกก็คือพระนางซาโะซึ่งในขณนะนั้นเองเนี่ยอิบรอฮีมนี่นะอายุมากแล้วและพระนางซาโรนี่ก็แทบจะหมดหวังในการมีลูกแล้วก็อายุมากระดับแปดสิบร้อยอับอ่ะนไม่ได้แล้วนั่นแหละเยอะเลยแหละคือถ้าเป็นปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้อยู่แล้วนะย่งแปดสิบอย่างเงี้ยอ่าแต่แต่แต่สมัยนู้นเนี่ยอายุอาจจะยืนกว่านี้นะแล้วก็ ร่างกายอะนะยังยังแข็งแรงอยู่ก็ไม่ต้องอะไรมากนะดูท่านหญิงคอดิยาเราอะท่านหญิงคอดิยานี่แต่งงานกับนบนะีตอนอายุเท่าไหร่สี่สิบมีลูกอีกเพียบเลยสี่สิบจะมีลูกอีประมาณสี่ห้าคนเป็นปัจจุบันนี้ถ้าแต่งตอนสี่สิบเนี่ยจะมีลูกสักกี่คนคอยากนะสี่สิบไม่ค่อยมีแล้ ว, วอ่าใช่ผู้หญิงเด็กนะ่มมีปัญหาแต่ว่า คนสมัยก่อนน่ยสี่สิบี่ยังมีทั้งหญิงคอดียาเนี่ยยังมีลูกอีกเพียบเลยสี่ห้ากี่คนห้าหกคนจำไม่ได้ทั้งหมดแต่ลูกทั้งหมดเกิดกับท่านหญิงคอดียามีคนเดียวที่เกิดคนอื่นแต่ลูกนบีนะแต่งตอนสี่สิบนะอ่าอ น, นี้นบีะนะไม่ใช่นบีท่านนางซาร์ร็อกกับยูเยเลวแล้วก็มาเลกาเนี่ยมาแจ้งข่าวดีรู้ไหมมาเลกาเนี่ยมาสองเรื่องที่มาแจ้งข่าวดีนะ แวะมาเยี่ยมมาเยือนนบีบรอฮีมมาแจ้งข่าวดีแต่เป้าหมายสําคัญของมัลิกากลุ่มนี้เนี่ยท่านนี้เนี่ยก็คือจะไปที่กลุ่มชนลูดแสดงว่านาบีลูดกับนบีบรอฮีเนี่ยอยู่สมัยเดียวกันแต่คนละเมืองไอเมืองที่รักร่วมเพศเนี่ยนู่นอยู่กับสมัยกลุ่มลูดตรงนั้นบีบรอฮีมไม่มีไม่มีแต่เมริกาเนี่ยมาจะไปหานาบีลูด จะมาแจ้งข่าวว่าอัลลอฮ์จะพลิกแผ่นดินแล้วแต่มาแวะหานาบีุลบรอฮีมมาแจ้งข่าวดีก่อนคือนับี๊ยมจะมีร่วมสมัยกันนะไม่ใช่ว่าคนนึงแล้วไม่ ม, มีดูร่วมกันเป็นสมัยเดียวกันน่นแหละแต่คนละกลุ่มกลุ่มชนแล้วนบีดุลเนี่นนยก็เป็นญาติเป็นญาติกับอบดุลบรอฮีด้วยอดาดัตพ่อเดี๋ยวไปดูนะผมเมื่อกี้ดูมาแล้วแต่จําไม่ได้ละไล่ไม่ค่อยถูกเป็นญาติกับ น, นบีุลบรอฮีด้วยนะ ดามนบ่ด้านบ้านพอ่อปรากฏว่ามาเยือนปรากฏว่าก็เวะ <c oughs> บอกข่าวดีว่าจะมีลูกในซุรฮุดก็ละยะไว้ลตานางก็กล่าวว่าช่างแปลกใจจริงๆพนังซาร์ฉันจะมีบุตรเหรอในขณะที่ฉันเนี่ยแก่แลว้วอายุซุนวะฮาดาบารีชัยคอและนี่สามีของฉันก็งอมแลว้ว แท้จริงนี้เป็นเรื่องประหลาดแท้ๆพวกเขามาเลกะกล่าวว่าเธอแปลกใจต่อบัญชาของอัลลอ์หรือความเมตตาของลอสความจำเริญของลอสประสบแก่แด่พวกท่านโอ้ครอบครัวของอิบรอฮีมอลัลลอ์ให้ความจำเริญแก่ก็มีลูกได้แท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ได้รับการสันเสริญและผู้ทรงประเสริฐยิ่งนะครับ อ่ะยะกูบแล้วนะและยะกูบก็มีลูกชื่ออะไรการขอโทษทีอิสหา ก, ก็มีลูกชื่อยะกูบยะกูบนี่แหละแสดงว่าอิบรอฮิมเนี่ยมีลูกชื่ออิสหาแล้วก็มีหลานชื่อยะกูบยะกูบก็ยาวเลยคนนี้ยาวเลยนบียูซุปไล่มายาวเลยคนนี้นะอ่ะไปต่อนะยะกูบทั้งหมดเราได้ให้ทางนําและนัว เราก็ได้ให้ทางนํามาก่อนการเลวแสดงนบีนัวอยู่ไหนอยู่ก่อนเลยเขาบอกว่าคุณลักษณะของน้วกับอิบรอฮีมเนี่ยมีลักษณะที่เหมือนกันอย่างแรกเลยนบีน้วก็คือว่านาบีน้วเนี่ยให้กลุ่มชนทั้งหมดที่ไม่ศรัทธาต่อล้อนเนี่ยจมน้ำตายเหลือเฉพาะคนที่อยู่บนเรือเท่านั้น แสดงว่าที่อยู่บนเรือเนี่ยก็คือลูกหลานที่อยู่ที่เป็นยืนชีอยู่แล้วก็แต่งงานกันในนั้นน่ะแหละพ่อที่เหลือเป็นไงตายหมดแล้วกลายเป็นผู้ศรัทธาเฉพาะผู้ศรัทธานั้นที่อยู่ในในเรือแล้วก็เป็นลูกหลานในนั้นแหละก็เกี่ยวดองกันแต่งงานกันในเรือนะหมายถึงองอกไปจากเรือแล้วนะเพราะพอในเรือเท่านั้นอิบราฮิมก็เหมือนกันก็ให้ลูกหลานนาบีอิบราฮิมเป็นขรรคและก็ลูกหลานก็จะเป็นนบีอยู่ในนั้นเลยอยู่ในครอบครัวหมดเลยนี่คือคุณสวบัติของนัวกับ นายบีบรอฮีมที่เหมือนกันอ่ะต่อมา <c oughs> และลูกหลานของเขาอ่าลูกหลานของใครล่ะ <c oughs> มีดาวุดมีสุไลมานมีอายุบมียูซุบมีมูซามีฮารูนและในทานองนั้นแหละเราจะตอบแทนแก่ผู้ที่ทำดีทั้งหลาย จริงเนี่ยอ น, นี้บทเนี่ยมันจะยาวมากเขาจะไล่ไล่สายรายงานลูกนบีเต็มเลยซึ่งเอาไว้ก่อนแล้วกันนะฉันกําลังมึนหัวอยู่บวช ด, ด้วยเมื่อคืนอ่านก็นั่งโอ้ยใครเป็นลูกใครเนี่ยนั่นปุ๊บเพราะว่าจริงมันเกี่ยวดองกันหมดเลยต้องไปนั่งดูแผนผังนะไล่มาเรื่อยๆแล้วบางคนก็อยู่ร่วมกันเนี่ยอย่างมูซากับฮารุนเนี่ยเขาผี่น้องกันเลยอยู่ด้วยกันในเละ เออนะน บ, บีร่วมสมัยยะฮิยากาับยะการียานี่ทันกันเลยนะอ้าว เ, เขาเป็นตระกูลเดียวกันน่นแหละมาจากอิบรอฮิมอาบุลอาบุลอะไรนะอาบุลอัมบียะชา ย, ยาดั บ, บีอิบรอฮิมอันหนึง่งเขาเรียกบรรพบุต ร, รของน บ, บีทั้งหมดเลยอา บ, บุลอัมบียะดับบีอิบราฮิมแล้วก็ไล่ยามาหมดเลยเนี่ยเป็นหมดเลยเนี่ยยกเว้นนัวที่อยู่ข้างบนอ่ะมีใครมัางไง มีดาวูดมีสุไลมานสุไลมานนี่เป็นกษัตริย์แล้วนะ <c oughs> แล้วก็บนบีอายูบ ก, นะก็ญาตินะแล้วก็บนบียูซุปน่ะนบียูซุปก็เป็นลูกของ น, นบีนบียะโคบนะมูซามูซาในสมัยหลังมูซามูซาลูกของอิมรอนแล้วอิมรอนกับคนละคนกับอิมรอนที่เป็นลูกของอีสัยนะคนละคนกันนะแต่ชื่ออิมรอนเหมือนกัน ในมูยมูซาเนี่ยพ่อชีมรอน <c oughs> และก็ฮารูนอานมูซาและก็ฮารูนเป็นพี่น้องกันนะเขามียูซุปยูซุปเป็นลูกของน บ, บีอายุปและเถ้านนอง น, นั้นแหละเราได้ตอบแทนผู้ที่กระทำความดีทั้งหลาย และก็ไล่มาต่อยายะเนย์ยาที่85และแซกเรีบบรยานบีแซกเรียานบียาห์ยาสองคนนี้ถูกฆ่าตายนะบีแซกเรียาถูกฆ่าเสียชีวิตน บ, บียายาก็โดนเหมือนกันโดนตัดคอเนี่ยสองน บ, บีเนี่ยเสียชีวิตน บ, บีอีซาเกือบแต่อัลลอฮ์ยกขึ้นไปอ่าแล้วก็บน บ, บีอินยาส อคือมีชื่อปรากฏแต่เรื่องราวไม่ค่อยมีมีไม่เยอะอ่านั้นบรรดาเรื่องราวนาบีเนี่ยไม่ใช่ว่ายี่สห้าปั๊บนี่จะมีเรื่องเยอะไม่ใช่แล้วแต่บางคนบางคนกล่าวชื่อเวยเฉยเป็นญาติแล้ว เ, เป็นนบีแต่อาจจะไม่ได้มีเรื่องเยอะนบีอิญญาสอย่างเงี้ยอ่าไม่ไม่เยอะอ่าแล้วก็นบียาซาอันยาซาอย่างเงี้ยนบีอัยาซ่า ทุกคนเป็นคนดีเราบอกทุกคนนั้นอยู่ในหมู่คนดีแล้วก็เป็นนบีหมดเลยนบีสุมาลินนบีอัลญะซะและนบียูนุสและก็นบีลูดซึ่งนบีรูดอยู่สมัยนบีบรอฮีมน่นแต่ละคนนั้นเราให้ดีเด่นเหนือกว่าประชาชาติในสากลโลกอนบีสมาลินนบีอัลญะซะนบียูนุสนบีลูดนะครับ อัลอลอฮบอกต่อว <c oughs> <c oughs> ่ามินอาบาอิหิมวะดุรียติหิมอิควานีหิมและเราก็ให้ดีเด่นอีกในส่วนของส่วนหนึ่งจากบรรดาบิดาของพวกเขาและลูกหลานของพวกเขาพี่น้องรู้ไหมเวล า, านาบีจะเสียจเสียชีวิตนะเขาจะสั่งเรื่องอะไรไม่ได้สั่งเรื่องทรัพนะสั่งเรื่อง อีมานให้ศรัทธาต่อรออย่าได้ตั้งาคีก็สั่งกันนี่แต่พวกเราสั่งเรื่องเงินสั่งเรื่องทรัพย์เออเป็นห่วงลูกหลานไม่ได้ห่วงเรื่องเงินต้องห่วงเรื่องอีมานะอา้าวต่อมาและพี่น้องของพวกเขาอ่านาบีเนี่ยจะสืบต่อกันทางหนึ่งคุณพ่อถ่ายต่อให้ลูกพ่อเป็นลูกก็เป็นต่ อ, อดาวูด แล้วก็สุไลมาสุไลมานก็เป็นลูกของดาวุฒต <c oughs> ต่อกันมาหรือในบรรดาลูกหลานของพวกเขาเมื่อกี้เลยนบีบรอฮิมนบียะโกรบอ่าขอโทษนบียะบีอิสหากแล้วก็นบียะโกบลูกหลานหรือในบรรดาพี่น้องมูซากับฮารูนเนี่ยเป็นพี่น้องกันเป็นในรูปแบบพี่น้องก็ได้เป็นนบีเป็นพี่น้องเป็นพ่อลูกก็ได้อิบรอฮีมกับอิสมาอีนี่พ่อลูกหลานก็ได้อ่า เราได้เลือกพวกเขาและได้แนะนําพวกเขาไปสู่ทางนําอันเที่ยงตรงไอาการเป็นนบีเนี่ยไม่ใช่ว่านึกอยากจะเป็นก็ยกมือแล้วก็เป็นไม่ใช่นะอัลลอฮ์เป็นผู้เลือกให้อ่าอย่างตอนที่ที่พนางซาร์ตันคันเนี่ยมาริการ์มากล่าวข่าวดีแล้วบอกเลยว่าต่อไปลูกในท้องเนี่ยจะเป็นในต่อเป็นนบีด้วยดีใจยอิ่งกว่าเดิมเพราะไม่ใช่ว่าลูกทุกคนเป็นนบีหมดพี่น้องนบียูซุปกี่คนน่ย บุญยามีนนี่ไม่ใช่บุญยามีนนี่พี่น้องท้องเดียวกันเลยกับดบียูซุปแต่บุญญามีนไม่ใช่เป็นไม่ได้เป็นนบีมีดาร์บียูซุปคนเดียวเป็นแต่พี่น้องดีกันเลยนะแต่บุญยามีนไม่ใช่ชื่อบุญญามีนอา้าวต่อมานั่นแหละคําแนะนําจาก Allah. อัลลอฮ์อ่านั่นแหละคือคําแนะนําฮะ ذلك หุดัลลอฮียะดีบิฮิไมยาชะมินอิบ ادي เป็นคำเป็นทางนำเป็นคำแนะนำจากอัลลอฮ์เป็นทางนำแก่อัลลอ์ของอัลลอฮ์โดยที่พระองค์จะส่งมอบ <c oughs> โดยที่พระองค์จะส่งแนะนำผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ในหมู่ปวงบาวของพระองค์โดยคำแนะนำนั้นและหากพวกเขาตั้งพาคีขึ้นแล้วละก็ และฮบิตออันหุมแน่นอนว่าไอ้ที่เคยทำมาก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็จะสูญสลายหมดนั้นหลักอากีดาของเรานะทำความดีมาไปทำฮัดสักสิบครั้งสมมติไปทำอุมราอยยี่สิบสร้างสุราวไว้สามหลังความดีบรเยอะมากเลยแต่ก่อนจะตายดันไปทำชีริกหมดเลยเนี่ยฮัดสิบครั้งอะไรหมดจบหมดเลยไม่เหลือเลย ผทาไม่รู้ตัวมีด้วยทำไม่รู้ตัวทาไม่รู้ตัวก็ไม่ตกสิถ้าถูกบังคับนะหรือไม่รู้เท่าไม่ถึงการนะครับอล้ลนวอนให้อภัยไม่มีความผิดยิ่งสมัยก่อยิ่งไม่มีความรู้เนี่ยแล้วก็ตอนหลังมาเปลี่ยนกับเนื้อกับตัวไม่เป็นไรนี่กําลังจะบอกถึงคนที่ทําความดีมาเยอะแต่สุดท้ายไปทําชีริกตอนใกล้จะตายหมดเลยนะไอที่ทำพัดมาสิบครั้งทางสุราวไวสามหลังนั้นงดเกี้ยงเลยฮะ บ, บีตออาแมนทําลายอามันเดิมหมดเลยนั้น ไม่เหมือนกับบาปอื่นบาปอื่นเนี่ยยังไม่ทําลายอามันอื่นถ้าไปทิ้งละมาไปนินทาคนความดียังอยู่แต่จะถูกโอนไปบ้างแต่ก็ยังอยู่แต่ถ้าชีริกนี่นะเละหมดเลยพังหมดเลยฮับบิทอสเสียศูนย์สลายหมดไอที่ทำมานั้นเรื่องใหญ่นะเรื่องชีริกนี่เรื่องใหญ่ไม่เหลือเลยเอาต่อมา <c oughs> มาการูย่างมาลูที่เคยทำมาก่อนหน้านี้เนี่ยฮาบิตสูนู์สลายหมดอายะที่88ดอูเลอีเกลลดีนาอาเตนาฮูมุลกีตทบวัลฮุกมาวันูบัวชนเหล่านี้คือผู้ที่เราได้ประทานคำเพียให้แก่พวกเขาก็คือนบีทั้งหลายเนี่ยที่เกิดมาเนี่ยและให้คำแนะนำและให้การเป็นนบีด้วยเป็นนบีหมดเลยนะที่กล่าวชื่อมามกี้เนี่ยชื่อเป็นนบีหมดเลย แต่ถ้ากลุ่มชนเหล่านี้ปฏิเสธศรัทธาต่อมันแน่นอนเราก็จะมอบมันไว้แล้วแก่กลุ่มชนหนึ่งที่พวกเขาไม่ใช่ผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาคำว่ากลุ่มชนกับตัวของนบีเนี่ยแยกกันนะอย่างเขาว่าเกามุลูเนี่ยกลุ่มชนนบีลูดแต่ตัวของนบีรูดจไม่เกี่ยวข้องกับรักร่วมเพศนะคือไปมองบางคนเนี่ยสมมติอาจารย์ตั้งเชื่ออะไรดี ชื่อลูธมีอาอาจารย์ชื่อลูธพวกรักลมเพศมีเกี่ยวเลยนบะีลูดมีเกี่ยวเลยเออตัวนบีไม่เกี่ยวเลยรักลมเพศเกี่ยวอะไรล่ะตัวนบีแนตะ่เป็นคนมาเตือนมาห้ามแต่พอเดจโฟได้ยินคําว่าลูดปั๊บนึกถึง อ, อะไรรักลมเพศเลยไม่ใช่นะนบีลูธไม่เกี่ยวข้องนะหมายถึงกลุ่มชนของเขาที่มีพฤติกรรมลวกรักลมเพศแต่ตัวนบีไม่เกี่ยวอะไรด้วยนะตั้งชื่อได้มไหมเนี่ยตั้งได้นะชื่อลูด พอไปตั้งชื่อลุดโดนล้อเลยเ <Okay. S 1> นี่ยมันคนละเรื่องกลุ่มชนไหนที่ปฏิเสธต่อรอซู้เอต่อนบีกลุ่มชนนั้นก็รับบาปไปไม่ใช่นบีรับรับใช่ไหมนบีต้องมารับไหมไม่ต้องไปเกี่ยวนบีทําหน้าที่บอกน้าที่เตือนน้าที่สอนแต่สมมุติ <c oughs> <c oughs> ไม่มีใครเชื่อเลยภารกิจก็จะถูกถ่ายโอนมาที่นบีท่านต่อไป ก็สอนต่อก <disciple> <hui> mm ็สอนต่อไปน่าเก้าสิบปิดท้ายนะครับอุลัอีกันแลดีนะฮะด้านรอชนเหล่านี้คือผู้ที่อัลลอฮ์ได้ให้คำแนะนำเอาไว้ดังนั้นคำแนะนำของของเขาด้วยคำแนะนำของเขาก็หมายถึงคำแนะนำของนบีอัลลอฮ์นี่ให้ทางนำกับนบีถูกไหมให้วะฮีมานบีก็บอกสอนเตือน และเราก็ยึดคำพูดของนบีเอาคำพูดนบีเอาคเอาการปฏิบัติของนบีเนี่ยมาปฏิบตัติมาเจริญรอยตามฟา บ, บูฮิฟา บ, บีฮูดาฮูมุกตัตเดีเอาการปฏิบัติหรือคำแนะนำของเขาก็คือบรรดา น, นาบีเนี่ยมาเจริญรอยตามจงกล่าวเถิดมุฮัมตมัดว่าฉันจะไม่ขอค่าจ้างใดๆ จากพวกเจ้าในการศรัทธาต่อกุราณานจะไม่ขอค่าจ้างหมายคือว่าไงการที่นบีมาสอนเนี่ยศา ส, สนาเนี่ยต้องเอาสตังมาให้ไหมให้นบีไม่ต้องเลยนบีทําเพราะเป็นหน้าที่เป็นบัญชาจลาเหรถ้าไม่มีไม่ใช่ตังนบีนบีไม่สอนมีไหมไม่มี น, นะ ที่จริงแล้วกุรอาา น, นั้นไม่ใช่อื่นใดนอกจากเป็นคำตัดเตือนสำหรับประชาชาิในสากลละโลกพี่น้องครับเรื่องของตรงนี้กุรอาานเนี่ยจะเอาค่าจ้างได้ไหมเนี่ยปราดออกเป็นสองกลุ่มนะยุคแรกเลยเนี่ยมาตั้งแต่ยุคสายสมัยอุมัตนี่นะไม่มีค่าจ้างเรื่องของกุรอานแปลว่าคนที่สอนกุรอานเนี่ยไม่สามารถที่จะรับสตังค์ได้เลย อ่ามาเรียกสตางไม่ได้แต่จะสตะโกงสตะโกได้อีกเรื่องหนึง่งตอนหลังพอยุคหลังแล้วเนี่ยตัยุคสั้นอุสมานท่าอะไรเนี่ยอนาจาริสลามก็ขยายไปคราวนี้คนเนี่ยที่มาทํางานศา ส, ะสะนาเองเนี่ยเขาก็ต้องเสียสละไม่ได้เลี้ยงปสัสสตว์ไม่ได้มีกิจกรรมอะไรเขาก็มาสอนอย่างเดียวจึงมีการให้ค่าจ้างจากไปตุนมานให้เป็นเงินตัวนี้ นักดาอีที่มาเมืองอามาเมืองไทยนะที่เป็นตัวคูรุ่นก่อๆเนี่ยก่อนที่เขาจะจบกลับมาเขาไปลงชื่อไปสอบไปอะไรปั๊บเขาก็กลายเป็นดาอีได้เงินเดือนน ะ, ะเงินเดือนจากรัฐบาลที่น่น้นกินยันตายเลยแต่ว่าทุกปีจะต้องเขียนสรุปไปว่าทำอะไรบ้างที่เป็นผลงานอันนี้ก็รับไปสิ <laughs> <c oughs> ก็รับไปรุ่นก่อนๆน้นรุ่นเก่าๆรุ่นมีมีเงนินเดือนอยู่ผมเคยได้ยินแต่อย่างฉันนี่ไม่มี รุ่นใหม่ไ ม, ม่มีแล้วเพราะว่าเขารู้แล้วว่าศาสนาเนี่ยเอาลอ่าเขาเรียกอะไร น, นะคนที่รู้เข้าใจศาสนาเขาจะช่วยเหลือเองไม่ต้องไปยุ่งละเขาก็ซดกกันนะครับช่วยเหลือกันนะอ่าพูดง่ายๆว่าเรียกร้องไม่ได้เขาให้เท่าไหร่ก็ัลาัมดุดิละอ่าเฉลี่ย ก, กันไปอ่าประมาณนี้นะครับสุภาหานะคับลอฮุมม่าบิฮมดิกาชดอัลลาอลาฮิลาตัสตัฟุุกาวะตูบลัลลามะลิุมเราะมุตุลลอฮบระกะต